สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณขปชาพระมหาภัยบูร์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโซตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทุกวันสัปดาห์ละ7วันพระพบปทพูดกุยในช่วงวันจันทร์อย่างนี้นำเรื่องราวที่เป็นหมวดหมู่ธรรมะเป็นข้อเป็นข้อที่จะให้เราสามารถทําความเข้าใจปฏิบัติได้คือเนื่องจากว่า ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในโลกทั้งหมดเนี่ยท่านฟังมันเป็นผลของจากตัหาในตนาเป็นเหของความทุกข์มันเป็นผลของอวิชชาซึ่งเป็นรากของเจ้าตัหาเวลามันเกิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบหรอกความทุกข์เกิดเนี่ยนะมันเกิดที้แจ้ว่าโดนตรงไหนมันเกิดตรงนั้นมีปัญหาตรงไหนมันเกิดตรงนั้นแต่ความทุกข์มีอยู่ทุกที่ไม่ได้เป็นระบบเกิดในลักษณะที่ว่าเป็นมีเครือข่ายโยงใหญ่ไปของตัตหาตัตนามากพ่อพูนตรงไหนตอนนั้นทุกข์ก็ยิ่งมาก แต่เป็นก้อนบ้างเป็นโยงใยชนิดที่ว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่เป็นระบบเป็นความยุ่งเหยิงเป็นสิ่งที่อิลุงตูงหนังแต่ลักษณะนี้ความทุกข์แต่เ้ในการที่เราจะคลี่มันออกเปิดมันออกนักก็ต้องทําให้เป็นระบบเพราะอะไรเพราะว่าความที่เป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันจะเอาชนะให้สิ่งที่มันไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวชนิดที่มันเป็นยุ่งเหยิงอิลุงตูงหนังพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีการเรียกว่าบัญญัติกันมีการบัญญัติ มีการจำแนกแจกแจงมีการแต่งตั้งมีการเปิดเผยมีการทำเป็นให้เป็นของที่ตื้นเข้าใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นาการบัญญัติธรรมะให้เป็นหมวดหมู่เพื่อเข้าใจได้เพื่อย่อยได้เพื่อให้เกิดความรู้ความจําได้เพื่อเกิดความที่จะสามารถจําได้แล้วเอาไปใช้งานได้ตรงนี้จึงเป็นความสามารถของบุคคลที่เป็นระดับสัมมาสัมพุทธะและที่สามารถที่จะเอาเรื่องที่ยุ่งยุ่งมาทาให้มัน เรียบเรียบง่ายๆเข้าใจดีแบ่งเป็นหมวดหมู่ตรงนั้นเอาป่าส่วนที่มันยุ่งเหยงิงป่าส่วนที่เป็นขี้รื้อออกเหลือแต่ส่วนที่เป็นเนื้อเนื้อแก่นแกนนี่มันแบ่งส่วนอย่างนี้ทํางานอย่างนี้ตรงนี้ก่อนอันนี้หลังอันนี้ถัดมานีอันนี้เป็นขั้นแรกถัดมาตรงนี้ตรงนี้เสริมตรงนั้นเนี่ยทำให้เรามีความเข้าใจที่เป็นระบบได้ความเข้านใจที่เป็นระบบตรงนี้ต้องฟังเราต้องมีการศึกษาและมีการที่จะทําความเข้าใจ ถ้าเราไม่เคยเรียนเคยรู้อะไรมาก school, hmm. know, worry, ่อนเลยะมัน really, ก็ต้องเรียนก็ต้องรู้ถึงจะปฏิบัติได้ไหนคําว่าเรียนก็มารู้ถึงจะปฏิบัติได้นั้นก็คือเรียนรู้จากการปฏิบัตินั่นเองพระบุตรเจ้าจึงใช้คาว่าศิกขาสิกษาเนี่ยพอมาเป็นภาษาไทยเราใช้คําว่าศึกษาแต่คําว่าสิกษานี่ยมีความหมายที่ที่กว้างกว่าคําว่าศึกษาที่เราใช้ในสมัยปัจจุบันคําว่าศึกษาที่เราใช้ในสมัยปัจจุบันนั้นก็เป็นลักษณะเออคุณอ่านหนังสือ นะ้ากคุณก็จำเข้าไปในสมองได้นะ้าจำได้แล้วโอเคละนะสอบผ่านไม่มีปัญหานี่ถือว่าผ่านการศึกษามันไม่ใช่แค่นั้นนะเสียรมฟังเพราะคำว่าศิขาานะสอเสือสลออีกอไก้ขอไข่สล่าอาศิษาที่คำนี้ที่พระพุทธเจ้าใช้หมายถึงลึกไปกว่า น, นั้นแ ต, แต่คำว่าศึกษานะสอสลาสลือ ก, กไก่ซอบริศีสล อ, อาภาษาไทยที่เราเอามาใช้เนี่ย มันกินความหมายแค่เรียนในห้องเรียนนะเข้าข่ายเฉพาะส่วนที่เรียกว่าเป็นปริยัติแต่คําว่าศิกขานะสมมาทานการศึกษาในศิกขาบททั้งหลายนะคำว่าศิกขาบทเนี่ยก็คือการศึกษาด้วยการปฏิบัติ น, นั่นเองทําเลยทําแล้วรู้เข้าไปในใจเลยนะรู้ว่าศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่จําได้ปาณอติปตาเวรมณนะีตั้งแต่เกิดมาสมาทานแล้วก็มีรู้อยู่รอบนะี่จะไปทําทานที่วัดพระนี่ก็จะให้สมาทานศีลอยู่เรื่อย โยมนี่ก็จะขอศีลพระอยู่เรื่อยแม้แต่ทำไปทำไปบางคนก็ทำไม่ได้อย่างนั้นแต่ต้องได้ทั้งไทยบาลีถ้าว่าเวลาปฏิบัติจริงๆมันถูกดึงไปทางอื่นเพราะความดีตันหามันพาไปแต่ก็จึงต้องศึกษาด้วยการปฏิบัติแต่คือทำเลยทำแล้วกุณรู้ทำด้วยจิตใจที่มีความห้าหานเข้มแข็งทำจริงแน่แน่จริงแต่คนที่มีความมั่นใจทำจริงแน่แน่จริงมีความห้าหานมีความกล้าหานในการทำการปฏิบัติเนี่ย เขาจะรู้ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองไอ้ความรู้ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองนี่แหละตต่ระวังคือปัญญาและไม่ใช่ว่าความที่เราจําได้ในสมองความที่จําได้ในสมองยังไม่ได้เรียกว่าปัญญา่คือมันก็แค่เป็นปัญญาในระดับที่ยังเป็นอยู่ในสมองแต่ไม่ได้เป็นปัญญาในระดับที่จะชํำระกิเลสเข้าไปในใจแต่ปัญญาในระดับสมองนั้นก็เป็นแค่จินตบัญญปัญญาในภาษาที่เขาใช้เป็นลักษณะที่ว่าจําอยู่ในสมองบางคนก็เรียกว่าเป็นความรู้ แต่วา่าเป็นความรู้เฉยๆไม่ใช่ความรู้อันยิ่งความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนี่แหละที่เป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดปัญญาในภายในในปัญญาอันยิ่งความรู้อันยิ่งปัญญาอันยิ่งความรู้อันยิ่งนั่นคือแทะกิเลสออกแทะกิเลสออกจากใจมันจึงต้องแทกเข้าไปในใจปัญญายิ่งความรู้ อ, น อ, อ, อ, อ, อันยิ่งอนี้แต่ถ้าปัญญาเฉยๆความรู้เฉยๆอยู่ในสมองเขาก็เรียกว่าเป็นแค่จินตมัยยะปัญญาหรือว่าแค่สุตตมัยยะปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการจินตนาการเอาการคลิกไข่กรวนเอาจําได้เอาจําคําของคุณื่นเข้ามาพูดเอาพระพูดอย่างนี้ฉันก็จํามาพระพุทธเจ้า ว, ว่าไว้งนี้ฉันก็ว่าตามอันนี้ก็ยังเป็นแค่ความรู้ที่เราจําของคนอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมาศึกษาด้วยการปฏิบัติได้ในการปฏิบัตินั้นจึงเกิดภาษาต่ตางๆและเราเรียนรู้ผ่านทางภาษานี่แหละท่านผู้ฟังเรียนรู้จากเรื่องราวที่มากระทบเราและศึกษาทําความเพียรทําความดีให้เกิดขึ้นได้ ใครด่าใครว่าใครชี้โทษเอาเราเป็นบัณฑิตเห็นเขาชี้โทษพูดความผิดของเราใ น, นเรานํามาศึกษาปฏิบัติให้ดีปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นอย่าให้เขาต้องมาชี้โทษอีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่3ามในมีจิตใจในการที่จะโวนขวายพัฒนาตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องเราจะมีความก้าวหน้าได้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยเป็นผู้ที่เห็นโทษ ด, ด้วยความเป็นโทษแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่เรื่อยๆมันจะดีขึ้นมาได้การกระทําอย่างนี้ ความรู้ที่เรารู้เรียนนั้นจะไม่เป็นงูพิษแต่กลับจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะใช้รักษาสมานแผลหรือว่าแก้สิ่งที่มันจะทำพิษโทษในใจให้เกิดขึ้นนะพิษโทษในใจเรามีอยู่แล้วจากเรื่องของอวิชชาเนะี่ยมันเป็นพิษอยู่ในใจเราจะถอนพิษนี้ได้ต้องเอาเซรุ่มมาฉีดเซรุ่มที่จะเกิดจากการที่เราเอาไอเจ้าธรรมะนะ่มาใช้งานอยู่อย่างถูกต้องเอามาใชในการที่จะลอกกิเลสออกจากใจ ชำระตัญหาที่มันเป็นเหมือนยางเหนียวขุดรากที่มันเป็นเหมือนเจ้าอวิชาออกมาให้ได้ทำอย่างนี้แล้วมันจะดีทั้งวันเราจะเป็นผู้ที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามตามอยู่เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นการบูชาที่ดีมากที่สูงที่สุดที่สมควรแก่ธรรมเพราะในเวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมได้ให้เกิดผลดีเนี่ยไอ้ความที่มันจะเอื้อเฟื้อสิ่งเกื้อกูลสิ่งที่เป็นที่สบาย มันจะมีผลเกี่ยวเนื่องกันวันนี้จึงต้องการจะพูดถึงเรื่องของสัปพายะทั้ง7อย่างก็เรียกว่าสัพพายะ7แต่สัพพายะแปลว่าสิ่งที่สบายสภาพที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติและสิ่งที่จะเกื้อกูลเช่นว่าการที่เราจะนั่งสมาธิจิตสงบได้เอาเรื่องการที่อยู่ในนาสนะอันสงัดมีเสียงอึกทึกคึกโครมน้อยเป็นที่ปราศจากลมจากผิวกายคนเข้าคนออกอันนี้มีส่วนช่วยได้เกื้อกูลได้มากในในทางตรงกันข้าม เราไปอยู่ในซ่องโ s e ณีหรือเราไปอยู่ในที่ที่มันเสียงเอื้อตึกคึกโครมเป็นที่ที่มันจะมีกิจการงานมากคนเข้าคนออกเยอะแย ะ, ยะพูดเสียงเอึเตโลเหมือนสะพานปลาอางนี้โอ้มันปฏิบัติยากปฏิบัติยากมันจะไม่เอื้อเฟือประเด็ประเด็นที่เราจึงจะต้องมาพูดคุยกันบาเรื่องราวตรงที่ความเอื้อเฟือในการที่เราจะทําให้เกิดการศึกษาและการปฏิบัติในเรื่องธรรมะได้เนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกท่านผู้ฟังก็เรียกว่าอาวาส ป, ปายักนษะอาวาส ป, ปายัษก็คือหมายถึง ที่สถานที่นั่นเองนะซึ่งบาง ท, บางทีบางครั้งเขาก็เรียกว่าเสนาสนะสปายะนะว่าเสนาสนะที่เป็นที่สงัดอย่างที่ว่าไปนี้แล้วมันมีความแตกต่างกันตรงหนึ่งว่าบางคนอาจจะคิดว่าทั้งนั้นรีสอร์ตสินะรีสอร์ตเขาจัดไว้สวยหรูมีบรรยากาศเรื่อนรม่มอันนี้เราต้องระวังเพราะว่ามันมีหนาญะที่แตกต่างกันอยู่ในะความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูจมูกเล่นละกายนะมันไม่เหมือนกันกันกบเสนาสนะสปายะ เวลาที่บระเจ้าจะให้ข้อกำหนดในเรื่องของความสัปย a ความเอื้อเฟื้อเนี่ยจะพูดไว้อย่างกว้างๆเช่นว่าเป็นที่ล้อมฟางเรือนว่างเงื้อมผาตามริมลำห้วยหรือว่าตามคนไม้พวกนี้เป็นที่ที่จะทำให้เกิดความสงัดได้แต่แต่มันจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปหาความสุขตามโรงแรม5ดาวไปตามรีสอร์ทรูๆต้องอากาศเย็นๆมันจะไม่ใช่างั้นมันจะไม่เหมือนกัน มันจะต่างกันตรงเรื่องของตาหูเนี่ยมันต่างกันอยู่เพราะว่าเวลาที่เราไปตามบริสตั์ที่มันสงบเนี่ยมันจะเข้าข่ายลักษณะของการเสพการการที่เรามีความหาความสุขทางตาทางหูแต่ถ้ามันไม่ได้เงียบอย่างนี้ไม่ได้สงัดอย่างนี้หรือไม่ได้มีคนบริการเช่นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มมีปัญหามันจะมีความเพ่งเล็งมันจะมีความที่เราจะต้องคาดหวังในการบริการที่เขาจะต้องบริการเราแต่ว่าการที่ได้มีเสนาสนัสสัปยะนั้นมันตัดเรื่องการออกไป เราต้องตัดเรื่องของกามเรื่องของความสุขที่เกิดทางตาทางหูนั้นออกไปนะ่พอที่จะเป็นคนที่เลี้ยงง่ายพอที่จะอยู่ในเศาสนะที่มันจะพอเงียบอยู่บ้างแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นความหรูหราฟุ่มเฟือยไปในทางตาทางหูก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรือว่าไปในลักษณะที่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมีการเตรียมการยุ่งยากก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแตนะ่แต่ให้เป็นคนที่อยู่ง่ายเลี้ยงง่าย่นะดีก็ได้ไม่ดีก็ไม่เป็นไร คำว่าดีไม่ดีนี่คุณวัดจากอะไรแต่ก็ต้องวัดจากความที่มันสัปเยะไหมสัปเเพยะไม่สบปยะมันไม่ได้เรื่องของกลามมันไม่ได้เรื่องของตาเรื่องของหูแต่มันเป็นเรื่องของจิตใจเหมือนที่เราอยู่ง่ายเลี่ยงง่ายเป็นคนสันโดษมีเสียงเงียบเงียบไม่มีเสียงอื้อๆอันนี้ดีแต่แล้วก็ดูตรงนี้ให้มันแตกต่างกันนิดหนึ่งในเรื่องข้อที่สองของเรื่องความที่จะเป็นสบายสภาพที่จะเอื้อเฟื้อนั่นคือเรื่องของโคจรสัปยะ แล้โคจรสัพยานั้นก็หมายถึงที่ที่จะสแสวงหาอาหารแตัวพระพุทธเจ้ า, าด้วยเคยอธิบายข้อนี้เอาไว้ในตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์ตอนนั้นก็เดินทางอยู่ในแคว้นมคธมาถึงที่ตำบลอุรุเวลาได้พักอยู่ ท, ที่นั้นได้เห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมมีชัดป่าเยือกเย็นมีแม่น้ําไหลใสยเย็นจือสนิทมีท่าน้ําราบเรียบเป็นอันดีน่าพอใจมีบ้านสําหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบ เวลาที่จะไปหาอาหารแล้วก็ไปในหมู่บ้านตรงนั้นได้ตรงที่อยู่นั้นก็เป็นราวป่ามีน้ํามีต้นไม้หน่ารื่นรมดีอันนี้เป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงความสัพยาลักษณะนี้ตรงนั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วไม่ได้ไปจัดแต่งขึ้นไม่ได้ไปอยู่ยากไม่ได้เป็นการที่จะต้องมีเรื่องมากให้ต้องไปปรับแต่งตรงนั้นตรงนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่นนั้ก็เป็นธรรมชาติกับมันอยู่แล้ว ไปพบเจอธรรมชาตินั้นก็พบว่าตรงนี้เป็นสถานที่สัพพายะถึงสองอย่างนะัคือมีความที่เอาวาสสัพพายะด้วยนั่นะคือเศาสนาสัพพายะนะความเอื้อเฟื้อเหมาะกันของที่อยู่ที่พักตรงนั้นนะเป็นต้นไม้รื่นรมมีราวป่าใกล้จากบ้านพอสมควรนะไม่มีเสียงกึกทึกกึ่นโครมแนะมีแหล่งน้ําดีนี่คือก็ที่1ข้อที่2เป็นพูดถึงเรื่องของที่หาอาหารนะโคจรสัปพายะ มีบ้านที่ไปบินาบาบได้ตรงนั้นอันนี้ได้อธิบายไว้เป็นพุทธพจน์เราถึงตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ส่วนข้อที่สามเขาเรียกว่าเป็นภาษาส ป, ปายะจำภาษาส ป, ปายะก็คือการพูดคุยที่เหมาะสมกันแต่บางแห่งก็เรียกว่าธรรมะสวสัสดสปายะแต่คือมีการพูดคุยในเรื่องของที่ไม่ใช่เดรชนคาถาถ้าจะมือคุยเรื่องบ้านเมืองเรื่องแหล่งน้ําเรื่องพระราชา เรื่องของมั่งมีเรื่องความเสื่อมโทรมเรื่องโจรเรื่องอมตะเรื่องพระราชาอะไรต่างๆนะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะไปในแนวทางธรรมเขาเรียกว่าเรื่องขวางหนทางธรรมหรือประเดรัจฉานคาอันนี้เราไม่พูดคุยเรื่องนั้นแต่เราคุยเรื่องราวที่เป็นธรรมะที่มันจะทําให้เกิดความฟูใจที่มันจะทําให้เกิดการที่จะเปิดโลกแห่งจิตที่จะเป็นไปเพื่อการจําแระกิเลสเช่นพูดคุยเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิพูดคุยเรื่องให้มีความสันโดษพูดคุยให้มีความเพียร เรื่องราวที่มันจะเป็นไปในการที่จะทําให้เกิดปัญญาเกิดการเห็นตามที่เป็นจริงพวกนี้อันนี้ก็เรียกว่าการพูดคุยที่จะเป็นไปเพื่อพิชาบิมุตเราก็จะมาอยู่ในส่วนของภัฒนาส ป, ปายะในการพูดคุยที่เรียกว่าเป็นไปในทางธรรมะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าธรรมสะสาวะณะสปายะนี่คือข้อที่3เรื่องของภัฒนาส ป, ปาย ะ, ะสําหรับพระสงฆ์ก็จะมีออาบัติอยู่หมวดหนึ่งเรียกว่าทุพภาสิต แต่ทุพศาิต์เนี่ยเป็นการพูดชนิดที่เรียกว่ า, ากระทบกันพูดเหน็บแนมกันการพูดกระทบการพูดเหน็บแนมโดยอาศัยเรื่องบางทีชาติกําเนิดบ้างเขามีผิวพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปพูดกระทบเขาฉันดีกว่าเธอเธอดีกว่าฉันเรื่องพวกนี้เป็นต้นบ้างหรือบางทีชื่อนะี่ยเขาชื่อฟังแล้วมันแปล ก, ปลกๆฟังแล้วมันน่าขาขันก็เอามาลอ้อเอามาเล่นนามสกุลด้วยแต่บางทีโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเป็น ก็เอามาล้อเอามาพูดเล่นเอามาเหน็บแนมเอามาพูดกระทบกันพูดปรยขึ้นหรือว่าเรื่องของผิวพันธุ์เรื่องของอาชีพแต่คนนี้ก่อนมาบวชทาอาชีพนี้มาโอ้เธอทําทอาชีพนี้มาเอา้าพูดกันไปนั่นแหะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาบตดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดของพระภิกษุซึ่งมันก็จะไม่เป็นสปายะแหละถ้าพูดเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องความโหดทางธําเป็นอาบาดด้วยเป็นอาบาดที่เรียกว่าทุพาสิก อันนั้คือข้อที่3ในเรื่องของอสปายะเรื่องที่4ี่คือบุคคลสปายะนะบฟังในบุคคลส ป, ปายะนี่หมายถึงบุคคลที่จะถูกกันพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะเสพคบบุคคลในบุคคลหนึ่งถ้าบอกว่าเราเสพคบบุคคลนี้แล้วอกุศลธรรมมันจะเจริญแต่กุศลธรรมมันจะเสื่อมไปอ้าวแสดงคนนี้ไม่ส ป, ปายะละไม่ส ป, ปายะละแต่ถ้าบอกว่าเราเสพคบกับบุคคลนี้กุศลธรรมมันจะเจริญขึ้นอากุศลธรรมมันจะเสื่อมไป อาจจะลำบากนะอยู่กับคนนี้อาจจะลำบากแต่กุศลธรรมมันจะดีขึ้นนะเขาก็มีความสปายาตรงนั้นแต่ตรงนี้ก็เกณฑ์ในการวัดเราจะดูได้เรื่องของคนพาลกับเรื่องของบัณฑิตอันนี้ก็สามารถบอกได้คนพาลเนี่ยจะเกิดภัยขึ้นแน่นอนถ้าเราเป็นมิตรกับคนพาลนต่ต่อให้การอยู่กับเขาจะมีความสุขสบายทางกายมีเงินใช้มีชื่อเสียงแต่อกุศลธรรมมันจะเกิดอันนั้นไม่ใช่สปายาเลย อันนันไม่เป็นที่เหมาะสมสบายแก่กุศลธรรมของเราเลยอันนี้จะเป็นการแย่เราก็จะต้องหลีกออกนะไปคบกับคนที่จะทำให้กุศลธรรมดีพวกที่เป็นบัณฑิ ต, ตอาจจะไม่ได้ร่ํารวยอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงอาจจะมีความเป็นอยู่ที่ธรรมดาหรือถึงกับว่าอาจจะต้องอไม่ได้มีความสุขทางกายอะไรมากแต่มันสับปะยะเรื่องของกุศลธรรมแล้วก็ให้เลือกในการที่จะเสพคบกับบุคคล น, นั้นเลืนะ่อกในการที่จะคบเพื่อนเลือกในการที่จะ ค, บ, จะคบบัณฑิต ไม่เสวนากับพวกที่เป็นคนพาลแต่ในการที่จะคบที่จะสื่อสารพูดคุยกับคนที่เป็นบัณฑิตแต่บางทีเราอาจจะอยู่กับบัณฑิตเนี่ยเขาก็ชี้โทษบอกโทษให้เราอย่างเช่นครูบาอาจารย์บางทีท่านก็ว่าคอยที่จะชี้โทษคอยทำหนิคอยที่จะชี้โทษในการที่เราจะทำไม่ดีอะไรต่างๆให้ฟังแล้วมันอาจจะไม่รื่นหูแต่ว่าตรงนั้นมันจะทำให้กุศลธรรมเจริญได้ก็ชื่อว่าเราก็อยู่กับบุคคลที่ถูกกัน ที่เหมาะสมกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนี่คือข้อที่4ในเรื่องของบุคคลส ป, ปาะข้อที่5คือเรื่องโภชนะส ป, ปา雅หมายถึงอาหารที่เหมาะกันในบางแห่งก็เรียกว่าอาหารสปาะอาหารสปาะไม่ใช่หมายความ kill, ว่าเราชอบกินอะไรแล้วก็เขาก็จัดอย่างนั้นมาให้กินนั่นเป็นเรื่องของอาการเป็นเรื่องของต่างกามแต่อาหาสปปรสปาะนั้นก็หมายถึงว่ากินอาหารที่มันจะถูกธาตุกับร่างกายของเรา บางทีการรับประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันอาจจะมีรสชาติขมรสชาติไม่อร่อยแต่มันจะถูกาธาตุกับร่างกายแต่มันจะดีได้อันนี้ก็ต้องดูแต่เราก็ไม่ใช่กินมากอย่างเดียวแต่ว่ากินพอประมาณรับประทานพอประมาณพระพุทธเจ้าได้พูดถึงโภชเนะมัตตัญญาตโลนี้คือเรื่องของโภชนะสัพยักษ์แต่ก็ไม่ใช่ประเภทของอาหารละ่ะแต่เป็นวิธีการที่เราจะบริโภคอาหารอะไรที่เรามีตรงนั้นแต่ถ้าเป็นพระสงค์การที่คุณไปแสบาหาอาหารมา นะด้วยการด้วยปรีแข่งของตัวเองด้วยการไปบินบาบอาหารนั่นดีละนะพอได้รับอาหารม า, าถ้าอาหารไม่เพียงพอนะมีกายเหน็ดเหนื่อยก็ไปนอนเสียอย่างเงี้ยอาหารที่ไม่เพียงพอนนะ่ไม่ใช่อาหารที่สปายะละเป็นอาหารที่ไม่สปายะละแต่ถ้าได้อาหารมาเพียงพอนะเพียงพอแล้วก็กินอิ่มจนกระทั่งกายนี่แน่นเหมือนเม็ดถั่วถูกแช่น้าพองนะจะเป็นอาหารประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะ อาหารที่ได้มานั้นก็ไม่สัปายะล้วเป็นอาหารที่มันเกินไปละ่ะมันอยู่ที่การรับประทานของเราเพรา ะ, ะนั้นก่อนการรับประทานก็จะต้องมีการพิจารณามีการทําในใจโดยแยบกายเพื่อให้สิ่งที่ได้รับมาเนี่ยเป็นสัปายะอันนี้ไม่ใช่หมายถึงประเภทอาหารอย่างเดียวนะยังรวมถึงลักษณะการบริโภค ก, ก่อนการบริโภคพิจารณาไหมกินกี่มือ้อกินเสร็จแล้วยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องหรือเปล่า เป็นผู้ที่พอใจยินดีในความเป็นผู้มีท้องอันพร่องอยู่เสมออันนี้คือโพชนะสปายะมันเกี่ยวกันนะผู้ฟังแต่ไม่ใช่ว่าเขาทําอาหารมารสอร่อยทูปากไม่ใช่สปายะอย่างนั้นอันนั้นเปนเรื่องของกามเราหลีกออกจากกามด้วยความสปายะในข้อที่5นี้ส่วนข้อที่6นั้นคืออุตุสปายะอุตุสปายะก็หมายถึงดินฟ้าอากาศธรรมชาติที่แวดล้อมเหมาะสมกันอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเย็นเกินหรือร้อนเกิน หรือว่าฝนตกฝนไม่ตกอันนั้นมันเรื่องภายนอกแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกามแต่บางคนบอกว่าต้องชอบอากาศประมาณนี้อ่าถึงว่าจะทําจิตให้สงบได้อาแล้วจิตคุณจะสงบไม่สงบไปเกี่ยวอะไรกับอากาศนะในเรื่องบางคนบอกชอบฝนตกบางคนบอกไม่ชอบฝนตกบางคนชอบอากาศชื้นบางคนชอบอากาศแห้งนะมันเป็นการเรื่องมากมันเป็นการที่มีชีวิตอยู่ยากแต่คําว่าอุตุสัมพยะความหมายเบื้องหลึกตันระวังนะหมายถึงว่า เราสามารถทําความสัปะยะให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นอากาศแบบไหนแตนะ่มีความอดทนพระพุทธจ้าต่ละประโยคบางบอกว่ากิเลสเนี่ยมันจะเลอ่ากออกมันมีวิธีหนึ่งแตนะ่ที่กิเลสจะเลอ่ากออกได้ด้วยความอดทนนะคืออดทนต่อเหลือบยุงลมแด่ความร้อนความหนาวนะอดทนพวกนี้ร้อนก็อดทนได้หนาวก็อดทนได้ไอ้การที่เราอดทนได้นั่นแหละคืออุตุสปะะัปนยะ่าอดทนต่อสิ่งที่มันจะมามีภาษาที่ไม่น่าพอใจ อดทนได้แต่ไม่ใช่เก็บกดนะแต่ว่าอดทนไม่ให้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุิสรธรรมนั้นแต่มันมาครอบงำจิตใจของเราถ้ามันออกมาก็ปล่อยให้มันออกไปทางอื่นโดยแต่เราตั้งสติเอาไว้สติที่เกิดขึ้นนี่แหละจะเป็นส ป, ปายะ่เป็นความเหมาะสมของอุตุที่เราเจอของประเภทอากาศที่เราเจอเพราะว่าถ้าเราจะไปอิงอากาศว่าช่วงฤ ด, ดูนี้ฉันภาวนาได้พอฤ ด, ดูร้อนฉันไม่อยากนั่งสมาธิอันนี้มปนเรื่องของกาม มันมันไม่ใช่สปายาในความหมายที่หมายถึงแต่รอดก็อดทนได้หนาวก็อดทนได้อันนี้คือสิ่งที่ดีนะอุตุแบบไหนอากาศแบบไหนสัปายาได้นี่คือหมายถึงจิตที่มีกําลังและในข้อที่7จ็่านผฟังอิริยาปฏิสารสปายาหมายถึงเรื่องของอิริยาบทที่เหมาะสมกันแต่บางคนก็ชอบนั่งบางคนชอบเดินแต่บางคนก็เดินทําสมาธิแล้วก็ได้สมาธิดีแต่สมาธิที่ได้จากการเดินก็ตั้งอยู่ได้นานบางคนก็เป็นอย่างนั้นบางคนก็ชอบนั่ง แต่ม้ว่าฉันนั่งจะเดินจะยืนจะนอนอยู่ในท่าทางใดๆก็แล้วแต่หนักก็ต้องทําอยู่ตลอดนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงการที่เรามีสัมปชัญญะเด็นคือความที่เรารู้ตัวรอบคอบในการแลดูการเหลียวดูการคู่การเหยียดรู้ตัวรอบคอบในการทรงสังคติบาจีวอนรู้ตัวรอบคอบในการกินดื่มพูดคิดรู้ตัวรอบคอบในการกินการหยุดการนั่งการนอนรู้ตัวรอบคอบในการหลับการตื่นรู้ตัวรอบคอบในการพูดการนิ่ง เนะรู้ตัวโรคขบมีส ต, ติอยู่ในทุกๆอิริยบทความที่เรามีสติตอยู่จดจ่อได้เนี่ยมันก็เหมือนกันแหละถ้าังว่าตรงนั้นน่คือความเป็นสัพพยะในอิริยาบถต่างๆดังซึ่งแน่นอนบางคนก็จะชอบนั่งชอบเดินแต่เราต้องฝึกในการที่จะทั้งนั่งหรือเดินแล้วก็ให้ทาได้บางทีง่วงแล้วจากนั่งก็เปลี่ยนไปเดินเดินเมื่อไแล้วก็ต้องมานั่งนะนั่งเมื่อไแล้วอาจจะนอนเหยียดกายบ้างก็เปลี่ยนได้ แต่ทาไปในลักษณะที่ให้มันเป็นวงรอบและมีการเดินนั่งการยืนการที่เราจะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นจะเป็นสัปพายะที่เกิดจากอิเรเบตได้ในเรื่องของสัพพายะข้าพเจ้าต้องเน้นตรงนี้ว่าบางคนไปเข้าใจในลักษณะที่ว่าทําให้ชีวิตการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยเป็นลักษณะว่าเรื่องมากไปนิดนึง เนะี่ยต้องหาที่ที่เป็นแบบนี้ต้องไปในช่วงอากาศที่มันเป็นแบบนี้ต้องอาหารเป็นแบบนี้อาหารแบบอื่นมาฉันก็ไม่ได้เนะี่ยต้องนั่งตรงนี้นั่งตรงนั้นมันน่าเกินไปตรงนี้หลังเกินไปอากายเป็นเรื่องมาแล้วนี่ไม่ใช่สัพยะ <shot S 2> แล้วตัวเองก็เอาความที่สัพยะสัพยะเนี่ยมาอ้างมาอ้างเข้าใจให้ถูกดีกว่าว่าเรื่องของสัพยะนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมแต่ไม่ใช่การที่เราจะเป็นอยู่ยากไม่ใช่การที่เราจะต้องมามีความเป็นอยู่ให้มีความสุขทางตาทางหู ไม่ใช่ตรงนั้นเพราะนั้นเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของการที่เป็นอยู่ยากการที่เราจะต้องมีความลำบากด้วยการเลี้ยงดูมีความลำบากด้วยเรื่องของความเป็นอยู่แต่ว่าหลักการคือย อ, ยอย่างนี้ทุกฝั่งว่าให้เรามีการที่มีบริการน้อยสันโดษในเรื่องบริการของชีวิตมีการที่เป็นอยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายการเป็นอยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายตรงนี้คือความเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสัพยะโดยรวมแล้วเนี่ย หมายถึงการที่เราอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่อาการแบบไหนก็ได้แล้วให้ใจของเราเนี่ยมันเหมาะสมในการที่อยู่ตรงนั้นกินแบบนั้นอยู่ที่นั้นแน่นอนว่ามันจะมีที่บางที่ที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยล่ะอย่างเช่นซ่องโสพิณีที่มันจะมีสัตว์ดุร้ายที่ที่มันจะเป็นหลุมโสโครพวกนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงบ้างอันนี้ก็เป็นที่ที่ไม่ควรไปล่ะยังไงทำจิตได้ยังไงก็ไม่ควรไป นะหรือว่าบุคคลที่เราไม่ควรจะยุ่งด้วยตอนให้ทําจิตได้ดีขนาดไหนก็ไม่ควรยุ่งด้วยเช่นคนพานเป็นต้นอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะมีลักษณะอยู่บ้างนะเป็นข้อกําหนดอยู่บ้างแต่โดยรวมๆทั่วๆไปความที่มันจะเหมาะสมเอื้อสบายเกื้อกูลูนะอยู่ที่สภาวะจิตของเรานะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนเรื่องมากเลือกมากนะอยู่ยากไม่ใช่แต่สภาวะนั้นเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในการปฏิบัติในการที่จะให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องทําจิตยังไง เราอยู่แบบนี้เราก็อยู่ได้ก็เอาไม้กินแบบนี้ก็กินได้คนจะดีไม่ดีเรามีสติเราก็เป็นอยู่ของเราได้ในเรียบทไหนจะจะให้ยืนให้นั่งให้เดินให้นอนเราก็ลองตามดูเราก็ทำให้ได้ให้มันมีความเหมาะสมให้มันมีความสบายให้มีความเอื้อกันเรื่องของสปายะเจ็นี้ก็เป็นแนวทางที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้แต่เป็นแค่แนวทางในการที่ให้เราพิจารณาดู แต่การพิจารณาของเราอย่างที่ครับพระเจ้าย้ำไปนะไม่ใช่เป็นในเรื่องของการมแต่ควรจะมาพิจารณาในเรื่องของความที่ให้เราเป็นอยู่ง่ายมาพิจารณาในเรื่องของการที่ให้เกิดปัญญาพูดคุยกันในเรื่องที่จะเป็นในทางธรรมะกินอยู่ในะเรื่องปากท้องก็ให้อยู่ง่ายนะไ ม, ม่เรื่องมากเรื่องดินฟ้าอากาศนั้นนะก็ให้เป็นสิ่งที่เราจะอดทนเอาแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวของเราให้เข้ากับสิ่งที่เป็นธรรมชาตินี่คือเรื่องขอ ง, Σ ปปญญงสัพพายาเจนแนวทางสําหรับ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่บุคคลหรือว่าอาหารหรือดินฟ้าอากาศในแนวทางที่เราจะดูได้ง่ายๆพิจรารณาแต่ก็คือเรื่องของกุศลแล้วก็อกุศลถ้าอยู่สถานที่ใดอยู่ในอาการแบบใดผู้กลุ่มกับคนแบบไหนกินอาหารประเภทใดแล้วอกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแต่กุศลธรรมมันเสื่อมไปลองดยสักสาวัน5วัน7วันไอ้อกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นฮนะกุศลธรรมมันก็ไม่ได้จะดีขึ้น สมาธิที่ยังไม่ได้ก็ไม่ได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอสวะที่ยังละไม่ได้ก็ละไม่ได้แสดงว่ามันมันไม่ดีล่ะหรืยิ่งถ้ามันเพิ่มขึ้นอีกตั้งหากมันใช่ไม่ใช่ละต้องเปลี่ยนต้องมีการปรับปรุงตรงนี้แต่ถ้าเราปรับแล้วเปลี่ยนแล้วดูดีแล้วเอออคุโสธรรมมันลดลงไปกุโสธรรมมันดีขึ้นสมาธิที่ยังไม่ได้ก็ได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นขึ้นมาอสวะที่ยังละไม่ได้ก็เริ่มละได้เออแสดง แล้วก็ให้เราอยู่ที่นั้นไปแต่เสพโคกับคนนั้นไปแต่พระพุทธเจ้าเคยแบ่งเอาไว้อยู่ทั้งหมดสี่ส่วนนั่นคือพูดถึงสถานที่นี่แหละแต่ว่าถ้าสถานที่ไหนไปอยู่แล้วจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังละไม่ได้ก็ละไม่ได้อาหารการกิน 1, จีวรปัจจัย4ต่างๆก็หายากอีกเพนทันทีอย่าอยู่ในที่นั้นเลยกลางวันให้เปพนกลางวันรู้ว่าเป็นอย่างนี้กลางคืนให้เป็นกลางคืนแต่แต่ว่าถ้าที่ไหนถึงแม้ว่าจะปัจจัย4ดี อาหารการกินที่อยู่อะไรต่างๆดีแต่ว่าจิตใจก็ยังไม่ดียังไม่ตั้งมั่นยังไม่ได้สมาธิยังไม่ละกิเลสได้นะให้วางแผนว่าจะหนีไปเมื่อไหร่จะหลีกไปเมื่อไร่แต่ถ้าในทางตรงนข้ามนะจิตใจดีนะจิตใจนั้นตั้งมั่นได้อาสวรละได้มีกําลังใจขึ้นมาแต่ว่าปากท้องอาจจะอยู่ยากหน่อยอากาศอาจจะไม่เย็นสบายอาหารอาจจะหายากบ้างให้อยู่ไปเรื่อยๆให้อยู่ไปเรื่อยเพราะว่าจิตใจมันดีมันตั้งขึ้นได้ แล้วท่าที่ไหนท่านผู้ฟังนะดีทั้งสองอย่างนะดีทั้งจิตใจด้วยตั้งขึ้นได้ด้วยสมาธิมีสติตั้งมั่นอาสวดที่ยังละไม่ได้ก็ละได้นะปจัจจัยสีอาหารการบริโภคต่างๆก็ดีด้วยให้อยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตนะนี่คือเกณฑ์ที่สอนในการที่เราจะพิจารณาเลือกที่อยู่นี้ก็ด้วยได้เหมือนกันในวันนี้ในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษข้าพเจ้าพระมหาไพบูลอภิปุโนมาพบ ก, กันก็พูดถึงเรื่องของสปะยะเจอย่างรวมถึงการเลือกที่อยู่ต่างๆเหล่านี้ มีง่มุมใดที่ท่านบุฟังคิดว่าจะเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยติดต่อกันมาได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าใบสนียบัตรเลขที่1 8, นึมู่แปส่งมาที่วัดป่าดอนหโศกเลขที่1นึมู่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังวหวัดอุดรธา น, นีหรือว่าเขียนเป็นข้อความทาง www. p u r e t h a m a c o m p u r e d h a m m a c o m ที่หน้าเว็บไซต์ www. p u r e t h a m a c o m ตอนนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่ท่านบุฟังลองเข้าไปดู มีทั้งสามารถฟังย้อนหลังในรายการธรรมะรับรุนเนื้อหาข้อความที่เป็นการฟังธรรมะในรายการอื่นๆต่างๆก็อยู่ที่นั่นบทความทางธรรมะก็มีแสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการเข้าไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะตะกอบนี้กับชาวพระมหาภัยบุญอภีปุลโนก็ขอลาไปก่อนท่านฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพน